การโมทนาสาธุการในท่านสารชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้จะได้พูดถึงนวสูตรซึ่งเป็นคำกราบทูลถามของพระอนุเทระต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าคราวนงเมื่อพระเจ้าเสด็จประทรับอยู่ที่ประเทศตะวัน พระนนท์ได้เข้าไปกราบทูลถามว่าการที่พูะเจ้าทรงใช้คำว่าพบพบนั้นพบจะหมายความว่าอย่างไงพระมีลพระเจ้ารับสั่งตอบเป็นเหตุปัจจัยว่าพระสวททั้งหลายนั้นถูกวิชากางกันเอาไว้ตนานั้นเปรียบเหมือนอย่างที่มีอยู่ภายในพืช กรรมนั้นเ ป, เปรียบเหมือนเนื้อหนาวิญญาณก็เปรียบเหมือนกรหน่อกพืชกรรมก็จะทำหน้าที่สร้างให้บุคคลถือกำเนิดในระดับต่างๆตามพื้นฐานของวิญญาณธาตุของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน รับสั่งถามว่าถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเหล่านี้<ม>การหมุนบนจะมีอยู่หรือไม่พระนรุนก็กราบทูลว่าไม่มีเดยทรงแสดงวิญญาณนทาตสองระดับระดับหยาบระดับกลางนะเราพูดเป็นระดับของการมุนบนในสังสารวัฏก็มีองค์ธรรมที่น่าศึกษาอยู่สีห้าข้อแะ้วกัน จะเป็นเหตุปัจจัยให้คนเราเกิดเราเกิดดีเกิดเป็นดีมีสุ ข, ม, สขมีทุกข์อะไรแต่ไรเนี่ยจริงๆมันก็แนวประสูตรอื่นๆนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าในที่นี้แสดงเน้นไปที่องค์ธรรมออคำแรกคือคำพบพบนั้นมีอยู่สองลักษณะลักษณะหนึ่งเป็นพื้นฐานทางจิต เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากกา ร, รประพฤติปฏิบัติภายในจิตของคนหรือว่าเป็นที่อยู่ของจิตหรือเป็นผู้ปรุงแต่งจิตต้นเรียกว่าสังขารภพภพก็คือสังขารท่นหลายลองสังเกตว่าจิตเรานั้นจะมีสุขมีทุกข์ตามพื้นฐานจิตในแต่ละขณะจะในขณะที่เรามี บุญมีกุศลหรือมีปีติประโมทมีสมาธิตรง น, นี้ที่จริงก็เป็นสังขาระพมันก็ทำให้จิตอยู่เย็นจิตอยู่สงบจิตอยู่เป็นสุขแต่บางครั้งเราทำความชั่วความผิดอะไรเอาไว้จิตในขณะนั้นมันก็มีความราร้อนเขาถูกปรุงด้วยปาก อีกจะมีความหวาดแวงมีตกกังวลที่ท่านเรียกว่าวิปัสสันก็ค่ายตำรวจประกาศผู้พรมเรื่องเครื่องเพชรซาอุเครื่องเพชรทองซาอุว่าใครอยู่ในครอบครองรีบเอามันคืนมีการขีดเส้นตายเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีจริงๆมันก็นอนหนาวสั่นนัก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ว่าเป็นสังขารภพ หมายความว่าสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงจิตนั้นมีดีกับไม่ดีแล้วก็ทําให้จิตมีความสุขมีความทุกข์ในแต่ละขณะแต่ในจุดนี้แหละบางครั้งท่านเรียกว่าอภิสังขารอยในปัจจยาการในปฏิจจสมุปาท์ตอนนี้ว่าสังขารในความหมายแล้วเป็นอภิสังขารหมายถึง ทั้งส่วนที่เป็นเหตุและส่วนที่เป็นผลที่เป็นบุญก็ตามบาปก็ตามนะครับก็มีทั้งสามมีทั้งสองอย่างองคุโศรเจตานาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตปรุงจิตจิตก็ร้อนในขณะนั้นแล้วก็มีการกระทาการพูดที่สร้างความราวร้อนต่อไป ผลเหล่านั้นทำให้ภูมิจิตมันตกไปภายใต้อำนาจของกิเลสทำให้ภพที่อยู่ของจิตก็ร้อนตั้งแต่ปัจจุบันก็สร้างวิญญาณธาตุคือเชื้อของความรู้ให้ร้อยให้น้อยลงนะฮะหมายความมามีอ ว, วิชามากขึ้นหรืว่าคุณภาพของวิญญาณธาตุมันก็ต่ำจิตมันก็ฝ่ายตา่ำนิยมตม่ำนิยม ช, มชมชอบในทางที่ต่ำ แต่เราก็สามารถที่จะมองเห็นได้ถึงสภาพจิตในปัจจุบันอย่าเมื่อวานเนี่ยออกไปจากวัดไปเจอมีคนนั่งดืมเล่าอยู่ริมประตูสองคนเห็นโปะป๊อก็ไปไหนหลวงพ่อเนี่ยอาอแอแอลอะไรกเอาเช้ามือดอย่างนี้ช น, นะ <c oughs> ก็จะเห็นว่าคนเราเนี่ยภูมิจิตแกไม่ได้คิดว่าแกมีทุกข์อยู่แล้วแล้วแกไปเพิ่มทุกข์ ไม่เคยมีรายจ่ายอยู่แล้วไปจ่ายในเรื่องที่ไม่ควรจ่ายในสุดก็อดโอดโอยว่าเป็นตัวยากจนไม่นตัวมีความสุขมันดูที่ตัวภูมิจิตเขาตกและวิญญาณธาตุมันต่ำเวลาไปธิบายชี้แจงเหตุผลอะไรเข้าเขาก็โกรธอ่ะแล้วก็เป็นปัญหาทาวรในสังคมมนุษย์มันก็มีอย่อย่างนี้ตลอด พระบาปกุศลที่สะสมอยู่ภายในจิตนั้นทําให้วิญญาณธาตุต่ำองค์งชาคัม ว, วิญญาณธาตุมันต่ำหมายความใจที่มีโลภะโทสะโมหะให้เราลองสังเกตว่าวิญญาณธาตุนี่ต่ําคือความรู้เราตา่ําก็พูดดีก็โกรธพูดไม่ดีก็โกรธอหะเราสังเกตว่าเวลาจิตใจเราผิดปกติแม้แต่คนที่เรารักเขาว่ากล่าวตะเกิ้อบางทีก็ไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองเลย เพราะขณะนั้นจริงๆวิญญาณภาพไอ้วิญญาณธาตุญญาามันต่ามันมีเชื้อกิเลสเยูะแล้วก็ตกปรุงด้วยสิ่งเหล่านั้นวันเราก็เป็นคนไม่ดีนะขณะนั้นก็เห็นช่วงสั้นๆนะนะฮะแต่จากตรงนี้เองก็นำไปสู่การปรุงแต่งให้ไปเกิดเป็นพบเป็นชาติที่ต่ำไปตามนั้นที่ส่งแสดงว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรม หรือกรรมเป็นตัวจำแนกนแบ่งแยกให้คนเร็วและพระนี่แตกต่างกันออกไปเราอาจจะดูตัวอย่างง่ายๆเจะสมมติว่าคนเดินไปกลางถนนกี่กี่คนก็ได้เอาสีห้าคนน่ะพื้นจิตเนี่ยพื้นฐานในวิญญาณ่ธาตุมันต่างมันต่างกันแล้วคนเหล่านั้นอาจจะถูกนำไปขังไว้ในที่เดียวกันสักสีห้าวันน่ะได้ สมมติเราคนหนึ่งเป็นนักเลงสุราคนหนึ่งชอบฟังเพลงชุมหนึ่งชอบชอบกินหนึ่งชอบดูการมรสพคนหนึ่งชอบเข้าวัดครื่ธรรมเนี่ยแล้วมันขาดไปได้ตั้งห้าวันใจมันก็กระสันอยากไปตามจิตที่ถูกปรุงอยู่ในเรื่องอะไรแล้วก็ริมถนนนั้นมันก็มีทั้งวัดมีทั้งโรงมรสมีทั้งโรงสุรามีทั้งร้านอาหารมีทั้งการแสดงแล้วเราปล่อยคนห้าคนนั้นเดินไป มันเดินไปด้วยกันแต่มันจะแยกกันโดยพื้นจิตซึ่งต่างกันคนที่สนใจวัดก็เข้าวัดคนทีส่สนใจวิก็เข้าวิศสนใจสนใจการบันดานก็เข้าไปการพันาลมันก็เข้าไปตามการสะสมของจิตนั้นเราเห็นพบชาติสั้นๆชวงสั้นๆที่มีการเก็บสะสมสร้างความโน้มเอียงสร้างความถนัดสร้างความนิยมยินดี และแม้่จะพูดจาอะไรกับแก่แก่ก็ไม่ฟังอะเพราะว่าวิญญาณอันธาตมันตับก็ไปวันก่อนไปคุยกับท่านเจ้าคุณที่วัดไร่ขิงท่านไปแก้ปัญหาราชดรข้างวัดไร่ขิงนะะเมื่อก่อนมันทำเมาเหล้าเล่นการพนันต้มเหล้าถื่นสารพัดท่านก็บุกถึงที่อ่ะพุทยมันแทนที่จะได้ดีมันดามันเรื่องอะไรของพระ เรื่องของชาวบ้านมันหนักหัวอะไรท่านบางคนมันเล่นแรงขนาดนั้นเลยนะมันหนักหัวอะไรโอ้ไม่รู้จะทำยังไงมันก็หาทางคิดจนว่ามันก็หาไรายได้จากของพ่อเนี่ยถ้าไปช่วยสร้างอาชีพจ้างงานเอามาเป็นพวกซะก่อนให้เขารู้สึกเรามีคุณแล้วก็ค่อยคุยกันแล้วลูกเข้ามาเลี้ยงมาสอนหนังสือสอนลูกซะก่อนแก้ลูกซะก่อนโดยนี้คนก็ดีขึ้นมาะแบบนั้น งานกันนานนะฮะทำตั้งแต่รุ่นหนุ่มจนแก่แก็แก้มาได้ระดับหนึ่งคือพูดพูดพูดตอนต้นนึ่งพูดแบบคล้ายๆกับเราพูดคุณเมากันแล้วกัน น, ะนึกนึกดูเนี่ยก็ในขณะนั้นได้ยิงกิตวิญญัติมันตามเราพูดก็เขาไม่รู้เรื่องเพราะงั้นเราให้วิ ช, ชามันก็ไม่ได้ให้อิทธิพลอะไรก็ไม่ได้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังถูกด่าเวลาไปเทศไปสั่งสอนอะไร เพราะอะไรเพราะเราไปเจอกับคนซึ่งมันมีตัณหามีบาปมันก็ปรุงให้บิณ ญ, ญาณธาตุมันตับพฤติกรรมเขาก็ตับเขาก็ทําอะไรต่อะไรกันไปให้เราลองสังเกตว่าพวกนี้ไปว่าเขาเป็นอย่างนั้นเขาโกรธแต่ทั้งที่เขาเป็นเห็นว่าพวดติดสิ่งเสพติดไปพูดว่าเขาติดสิ่งเสพติดจะโกรธพวกเมาเหล้าบอกว่าเขาเมาเหล้าก็จะโกรธพวกเป็นโรคเอชบอกว่าเป็นโรคเอชก็จะโกรธอะไรต่าง นั้นแสดงให้เห็นถึงว่าคุณภาพของวิญญาณธาตุมันขาดปัญญาที่จะยอมรับความจริงได้แล้วคนเหล่า น, นี้ก็จะไปเกิดนะพูดถึงขําพบไปเลยออกมาความว่าเวลาไปเกิดอาศัยที่วิญญาณหนอ่อคือวิญญาณเนี่ยที่ท่านบอกว่ากรรมเหมือนกับเนื้อหนาในที่นี้ท่านแปลว่าไร่หนา จริงก็คือดินน่ะพวกแง่ของดินในอุณหภูมิแล้วก็วิญญาณก็เพป่นหนอกของพืชตันหาก็เหมือนกับยางเหนียวในพืชหรือความชื้นที่มีอยู่ภายในพืชซึ่งมันก็ต้องเป็นปัจจัยอิงอาศัายซึ่งกันอะกันถ้าเนื้อนาตัวดินเนี่ยมันไม่ดีเนื้อนาที่ดินไม่ดีคือกรรมมันไม่ดีอะความจเจริญเติบโตก็เติบโตได้ยาก เพรเวลาเราเน้นเราจึงเน้นที่ตัวพืชไม่ใช่เน้นที่ตัวที่ตัวกรรมในมากหมายความว่าคือถ้าดินดีแม้พืชมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ช่วยเสริมช่วยเสริมพืชตัวนั้นแต่จริงแล้วตัวพืช น, นั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจากดินกระย่างเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชคือว่าชนิดของมันนะ่ะที่เราเรียกว่ากรรมมายนุนิคือมี ก, ร, กรรมไปกําเนิด กรรมบรรทุมีกรรมเป็นพืชเป็นเผ่าพันธุ์มันสามารถที่จะเกิดขึด้นและจากคุณภาพของจิตวินดาลที่มันต่ำมันก็ต่าอยู่ในโลกนี้แล้วเวลาตายไปมันก็ต่ำมันก็ ต, าตา่าต่ำอย่างที่เคยเล่าความคิดความคิดที่ยิงสั้นๆนนะ่ะคน คนไม่ลองสังเกตในข่าวหรือพิมพ์มีที่ติที่จริงมันจะทอนทำได้แย่เลตี้ยวเด็กคนหนึ่งดีฆ่าผู้หญิงกับผู้ชายตายทีเดียวสองคนทั้งฟังทนนะหลายปีไปสามสี่ปีที่แล้วเนี่นยไปแล้วเขาไปสอบถามว่าฆ่าเขาทำใหม่บอกแกหลงรักผู้หญิงคนนั้นถามคุณรู้จักกันหรือเปล่าไม่รู้จักผู้หญิงรู้จักคุณหรือเปล่าไม่รู้จักแอบหลงรักก็เฉยๆหึงก็แล้วนะฮะ แล้วผู้หญิงเขาก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเขาผู้ชายเป็นแฟนอะไรเนี่ยอันนี้ก็ถึงก็ไปฆ่าก็ได้แล้วนักข่าก็ถามเออคุณไปฆ่าเขาเฉยๆอย่างนั้นคุณไม่กลัวบาปเหแกว่าบาปอะไรผมฆ่ากายวันนันทั้งสองพันกว่าตัวไม่รู้่าบาปอะไรแกมีาอาชีพเป็นเป็นคนงานฆ่าไกา่ในโรงงานฆ่าไกายนะนั่นคือสะสมจิตสันดาน สะสมจิตวิญญาณไว้ให้มันมีความรุนแรงไปเรื่อยก็แสดงว่าคุณภาพจิตวิญญาณเนี่ยมันก็ต่ําอยู่ในขณะเพราะนั้นทำให้ทําให้กรรมคือการกระทําเขาต่ําไปตามจิตวิญญาณของเขาตามไปตามจิตวิญญาณก็อย่างที่บอกว่าคนหคนเดี๋ไปแยกไปตามจิตวิญญาณของเขานั่นเอง นี่พอพอไปถึงระดับที่จะผ่านพบชาติคือหมายความมาหลังตายมันก็เป็นอย่างนั้นที่ท่านพูดอภิธรรมเนี่ยพูดว่าสัตว์ในใจเหตุทวิเหตุหมายความว่าคนบางคนเนี่ยก่อนตายมันจิตมันผ่องแผ้วมากคนบางคนมันจิตมันมืดบอดมากก็หมายความว่ามีโลภะมีโทสะมีโมหะอะไรปรากฏชัดภายในจิตจิตมันก็ขุนจิตมันก็ขุนจิตก็สมอง มันก็ดูง่ายๆอีกอ่ะดูง่ายๆคๆกเราเดินไปตามถนนทางเนี่ยับรถไปเนี่ยในจุดใดที่เกิดความไม่รู้หรือการขาดสติขึ้นมาสักระยะหนึ่งเราเลี้ยวผิดได้นะฮะเลี้ยวผิดแล้วก็ไปเตลเอไปหายได้นั่นแสดงว่าเอาก็จริงมันเป็นเรื่องของขณะอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นในแต่ละขณะ การจะไปถูกไปผิดก็เกิดขึ้นในแต่ล ะ, ละขณะเลี้ยวถูกเลี้ยวผิดก็เกิดขึ้นในแต่ละขณะเพราะในการฝึกจิตจึงฝึกเป็นขณะเพื่อให้สามารถใช้จิตของเราในแต่ละขณะให้ได้เพื่อไม่พลาดเพราะว่าการมรรุมรรคผลเองมันก็เป็นขณะนะเป็นพระอาหารหันต์เป็นอะไรจริงมันเป็นขณะจิตเดียว ว่าน่ยไปไปโรงพยาบาลหลายเรื่องไปตรวจตาไปตรวจประวัตตรวจอะไรต่ออะรบดีหมอมันก็เมื่อยอยู่นะฮะหมอก็เข้าไปนั่ไปนวดไปเลยนวดแขนเกิดมีโยมก็ก็ขคุยอยู่ห้องใกล้ๆนะ่ะคือคล้ๆกันโลค ก, ก็มีทุกอยู่ด้วยเออถือโอกาสนอนให้หมอนวดไปด้วยเทศไปด้วยก็เทศได้กันนะปราณนี้โยมก็ดีใจเพราไม่เคยฟัง มัอเกิดความกเราพูดสั้นๆนะ น, นะฮะเราพูดเราธรรมโยมจะต้องคิดว่าต้องเป็นโยมเพราะว่าที่จริงคนที่ป่วยเนี่ยที่เจ็บเนี่ยที่มีมากโยมก็เยอะไปเพราะงั้นไม่มีใครที่เจ็บมากที่สุดหร อ, อกมีคนนี้เจ็บมากกว่าอยู่เรืเร่อยๆแลสอนนะก็คิดแล้วก็บอกว่าอย่าเอาจิตมันไปบวกให้มันปวดเท่าที่ปวดมันปวดอยู่ตรงไหนมันปวดตรงนั้นใจเราไม่ได้ปวดมันปวดที่กายก็ปล่อยกายมันปวดใจเราอย่าปวดเย่าเอาใจเข้าไปบวก ก็พูดเลยพวกหมอสองคนโบกขอขอขอประโยคน์นี้ไมใช้ด้วยเราไม่เคยได้ยินก็ที่จริงก็มีไม่ไม่กี่ประโยคอ์กนะฮะกี่ประโยค์เราพูดสั้นๆเพื่อให้เขาได้คิดนี่ก็คือเป็นการเพิ่มตัวตัวปัญญาตัวเหตุผลขึ้นมา แทานที่จะไปเดือดร้อนก็จะแก่ก็เจ็บก็ปวดก็ตายอะไรแต่ใดก็ไปเป็นตเดือดร้อนรักษาก็รักษาก็มีสองอย่างนะรักษาแล้วไม่ตายก็หายก็เท่านั้นเองก็ไม่มีทางที่สามก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกลับมาแต่มีข้อสําคัญว่าเราต้องเพิ่มคุณภาพของปูวิญญาณตัวไม่ใช่ตัวตัววิญญาณธาตุนะฮะตัววิญญาณธาตุเนี่ยให้มันลดพวกโลภะโทสะโมหะ ลดในในรูปที่ว่ามีความสว่างมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นทีนี้ถ้ามันตมนะ่มเนยมันต่ำ ม, มันก็ตกที่เราาติก็มาตกนระกเนี่ยเราก็มาคิดว่าของตกแค่ตกจากที่สูงแต่จริงมันตกจากกิจที่สูงนี่มันตกลงไปในต่ำมันเป็นพฤติกรรมที่เป็นเรียนแบบสัตว์ทีคนไทยนี่เก่งนะฮะคนไทยนี่เก่ง ต่นเรียวกว่าอรมนุสเปโตมนุสสเดรชาโนมนุสสนิริโกมนุสสอสโรมนุสสมนุสโอมนุสสเดวโอะมนุสสโปรโมระทนายคนไทยที่เก่งนะฮะเก่งเก่งเก่งมากมที่จริงไม่ใช่พระพุทธเจ้าเรียกนะฮะตรงนี้ไม่ใช่คนไทยอะภาษาบาลีไทยแต่เขาศึกษาจากสภาพจิตมายความมองที่จิต ก็คุณภาพของวิญญาณธาตุเนี่ยบางชีมันมืดบอดเหลือเกินมันเหมือนกษัตริย์มันเหมือนกษัตริย์เพราะงั้นในขณะนั้นในขณะนั้นถ้าใจมันเป็นอย่างนั้นกับมายความร่างกายเราที่เป็นมนุษย์ติจใจในขณะนั้นเราเหมือนกษัตริย์มันมืดบอดไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรแต่บางครั้งฮารุโกรุนแรงเกิดโทสะเกิดประทุสไรนะไม่ได้คำหนึง่งที่ บ, บัพปุลคุณโทษเราเห็นว่าอาการไหมคำหนึงทีงบ่ บ, บุลคุณโทษมันเป็นอาการของโมหะ ที่เราทำอะไรลงไปโดยความรุนแรงมันก็เป็นอาการของโทสะบางครั้งไม่น่าเชื่อว่าข้าพ่อข้าแม่ได้ประสูตรายต่อบุปการีของตนทําอะไรโดนนึกว่ามันทําได้ยังไงเขาก็ทําได้นะฮะที่ยิงเขาก็ทําได้แต่เขาเป็นเนี่ยที่เขาเปลี่ยนก็ทำเขาได้ก็แสดงในขณะนั้นใจมันเป็นเหมือนกษัตริย์ตกมันก็ตกนรก แม้ร่างกายเขาก็ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็ตามแต่ทีนี้บางครั้งในมันตะกระตะกรามมันล้มโบโลบมากคือไม่รู้จะเอาไปทำอะไรอย่างูเหมือนจะเคยเล่าใครเล่าฟังแนละ้ว่าวันก่อนเดี๋ยวไปถามนักโทษในคุกตีอายุเกือเจ็ดสิบกว่าเลแกค่ายโรอินอยี่สงบห้ากิโลเลยคือเรกเอีกเกิโรคไปทำอะไรอายุเจ็ดสิบห้านี่จะอยู่จะกี่ตัวกางเกงแล้วจะตายแล้ว จะสร้างบาปทำไมมาอาสารขนาดนั้นก็ไม่รู้ก็นึกไม่ออกแล้วก็ทำได้อย่างนั้นนั่นคือตัวคุณภาพของวิญญาณนใะธาตุทชชี่พระพุทธเจ้าบอกมันตา่าไม่ได้คิดตั้งเหตุถึงผลอะไรก็มาความว่าความโลภในแนวนี้จึงไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอและถามเอาไปทำอะไรแล้วก็ตอบไม่ได้่ะนะคุณกินหมดคุณใช้หมดเหรอสมมติให้แกกินแกใช้เนี่ย เลยกินไม่หมดใช้ไม่หมดมีสมัยหนึ่งหลายหลายปีมาแล้วนะฮะท่านท่านท่านคงนึกออกมีหนังสือเรื่องหนึ่งคือสันเทวรักแต่งใช่ไหมเศรษฐีนาถาที่ที่ที่ได้เงินอะไรอะ่ะสมัยนั้นล้านนึ่งนะฮะพูดสมัยนั้นล้า น, นแล้วก็ค่ายเงินกิวานามาก็อ่านไม่จบอะ่ะแต่ว่าเออนี่ก็คือแนวคิดที่เห็นว่าเอาจริงนี่มันไม่จําเป็นเนต้องมากมายอะไรขนาดนั้น แล้ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คืออย่าถึงก็บทำบาปนะอย่าถึงกับทาบาปก็ได้มานี่ก็แสดงว่าไอจ้จิตจิตเนี่ยมันมันมันมั น, ม, น, ม, นมันมีตัวอวิชชาอยู่ ม, มากทำให้ความละโมบโลภเนี่ยมันมากโลภจนจนไม่มองถึงถึ ง, ถ ง, ถงทุกทุกขั้นตอนของการแสวงหาของการครอบครองของการใช้จ่ายนะทั้งสามช่วงเนี่ยเราเหน็นว่าคนไม่คำนึงถึงบาป ที่พระเจ้าทรงเรียงไว้ยังไม่เคยนามาบรรยายเพราะมันมีทั้งสิบสิบสองตอนนะฮะมันกลัวจะพูดไม่ทันมันมีทั้งสิบสองตอนทรงเรียงไว้ระดับจิตของคนเนี่ยเรียงไว้สิบสองตอนมาความมาแบ่งเป็นสี่สี่ี่ไอ้สตอนแรกนี่แย่มากเลยฮะโลโดเลยนะสีที่สองก็คือระดับศีลธรรมจัญญาไอ้สีามคือสี่สุดท้ายเนี่ยมันมันจิตป็นสูงขึ้นแล้วมันยกขึ้นคุณภาพการจินปัญญาสูงขึ้น เป็นแนวของการเลี้ยงชีพเป็นนายเป็นแนวของการเลี้ยงชีพเช่นว่าแนวแรกเนี่ยหา ก, กินในความผุนผันหารืโหดรุนแรงเกินค่าทำลายล้างคนอื่นแล้วเอามาเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้แบบพระอะไรแบบพระองค์ุริมาณข่าคนทิ้งข่าคน ท, คนทิ้งตัดนิ้วนะฮะคุณจะเห็นว่าข่าคนทิ้งตัดนิ้วตัดนิ้วอันี้เดียวเอ ง, เ, องเหมือนข่าช้างเอางาจิจใจมันหารืโหดรุนแรงเลยเกิน ทางตั้งตัวเบื้ลมมันท้าค่าเอางานนิดเดียวเองแ้องคุริมานค่าคนตัดนิ้วนิดเดียวเองค่าเขาทิ้งเกินไหคนก็ต้องพลาดพลาดสูญเสียอะไรมหาศาลนี่คือแสดงในจิตใจที่หัรูโกรมากแล้วถ้าก็เรียงลงมาเรื่อยๆนะเรียงลงมาเรื่อยๆเพราะงั้นแนวตรงนี้เราจะเห็นถึงลักษณะของโลภะที่มันจะที่โบราณไม่จะไม่จะโบราณนะนะที่จริงก็ ในหลักฐานเปรตสิบสองสกุลเนี่ยท่านบอกว่ามีท่อน้ำผูกเขามีปากไ่อยอาชาติเปท่อน้ำผูกเขาปากทะลุเข็มคือหมายความว่ากินไม่อิ่มเป็นลักษณะของจิตที่มันพล่องเป็นอาการของความโลภจัดนะก็เป็นมนุษย์สเปโตเป็นเป็นเป็นร่างกายที่เป็นมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นเปรตตรงนี้ก็มีความประสานสัมพันธ์กันทั้งสามตัวทั้งสี่ตัวนะหมายความว่าอวิชามาก แล้วก็ทำให้กรรมเนี่ยเป็นอกุศลมากเมื่อกรรมเป็นอกุศลมากคุณภาพวิญญาณก็ต่บทำให้ตัวฐานบิน ญ, ญาณธาตุเนี่ยมันต่ะวันความคิดการกระทำพฤติกรรมทั้งหลายของคนนี้ก็ต่ำตามไปใครทำให้เราทำเองคือไม่มีใครทำให้เลยทุกคนนั้นเป็นเรื่องที่ทำเอาเองแล้วพอัาถึงจนจนถึงเป็นมนุษย์มนุโศหมายความว่า ในตรงนี้อวิชชาคงจะจางลงอวิชชาจ็จางล ง, ง, ง, ลงเมื่อจางลงเนี่ยเราจะเห็นว่าเหตุผลเราจะมา ก, กิ้งคิดการกระทำอะไรจะมีความรัดกุมจะมีความรับผิดชอบจะมีจิตสำนึกที่มองไม่ใช่มองสั้นๆแต่มองยาวเพราะอะรพราะชีวิตเรายาวไม่ใช่ชีวิตเราสั้นนะฮะในแง่การเกิดแต่ละชาตินั้นสั้น แต่ในแง่กองสังสารวัฏยาวนานจนไม่อาจจะนับประประมาณได้เพราะพื้นฐานความเชื่อจงนี้ต้องสามารถข้าใอวิชชาในรูปที่มองเห็นชีวิตเป็นกระบวนการต่อนเนื่องยาวนานที่ไม่รู้จักจบนะเหมือนคลื่นที่กระทบฝั่ง ม, ม, ม, มันไม่เคยจบมันก็กระทบฝั่งอยู่ชั่วหน้าตาปีอย่างนั้นเองังสารวัฏมันก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะงั้นจะทรง สอนในแนวต้องเชื่อตรงนี้ด้วยแล้วจะเห็นว่ามันยานะมันจาเป็นจะต้องพัฒนาตัววิญญาณนะฮะตัวจิตวิญญาณขึ้นไปแต่ว่าวิญญาณแตจริงมันเป็นผลมันเกิดขึ้นมาจากการปรุงแต่งของตัวอวิชากับสังขารเพราะตัวแก้จริงๆไปแก้ที่ตัวอวิชาเพราะอะไรเพราะถ้าเราลดตัวอวิชาลงไปหมายความว่าเราเพิ่มปัญญาขึ้นเพิ่มเหตุผลเพิ่มสติปัญญา การกระทำของเราตัวกรรมตัวสังขารเนี่ยตัวกรรมที่เรารับผิดชอบได้ตรงเลยนะฮะเรารับผิดชอบได้ตรงเลยนยะก็คือกรรมท่านจะเห็นว่าในแนวของของบิณดาปจัจเวกขณะที่เราสวดเกิดแก่ตายพระพรากมันไม่ใช่ไม่ใช่แก่เจ็บตายพระพรากนะะแก่เจ็บตายพระพรากเกิดด้วยแหละแต่ว่าเกิดมันมันเราเกิดแล้วนะไม่ต้องพิจารณา ตรงสอนพิจารณาจะปะแก่เจ็บตายการรัดพราดเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้เพราะพวกนี้มันเป็นผลผลของการเกิดคือเราเกิดแล้วเมื่อเกิดแล้วมันต้องไหลเข้าสู่กระแสแก่เจ็บตายแล้วก็การรัพราดมันก็มีอยู่ได้ทุกขณะทั้งแก่ทั้งเจ็บทั้งตายแตั้งรัดพราดมันมีอยู่ทุกขณะแต่ว่ากรรมในที่จริงเรายังไม่ได้ทํากรรมอดีตเราทําแล้วแต่กรรมปัจจุบันเนี่ยนะ กรรมต่อไปเราไปทําเพราะงั้นเราจะทําก็ได้จะไม่ทําก็ได้มันก็อยู่ตรงตัวไหนว่าวิชาเราเนี่ยมีมากพอหรือเปล่าถ้าเรามีวิชามากเราก็จะเลือกทํากรรมที่ดีได้อะไรเราเลียกวกินมังคุดท้งเปลือกโบราณก็บาบอกกินมังคุดท้งเปลือกแสดงว่าแสดงอวิชชาบันมากเห็นมังคุดปั๊บกินปุ๊บเลยแต่ที่จะหวานเลยก็ขมฝาดเพราะไปกินเปลือกของมังคุด นั่นก็เป็นภาพของงานวิชาม嘛ทีนี้คนกินอย่างนั้นคือใครคือเด็กเด็กที่แกไม่รู้ว่ามังคุดจะมักินยังไงขาดวุฒิภาวะคือขาดความรอบรู้ในเรื่องมังคุดแกก็กินไปนงั้นเด็กให้เราลองดูนั้นคือเด็กแกก็มีอวิชาเยอะที่เราเรียกว่ารายเดียงสานะะเพราะนั้นเราต้องคอยคุมเงยเรื่องแกจับปาบก็ใส่ปากปุ๊บอยู่เลยมันก็เป็นเป็นธรรมชาติของแกบางทีอะไรต่ อ, อะไรไม่รู้ก็ใส่ก็ไปเนี่ยนั่นคือภาพของอวิชาที่เราเห็น ทีนี้เราก็ให้เดียงสาเราก็สอนกไปเรื่อยๆนะกไป เ, นะเรื่อยๆนะฮะสอนกไปเรื่อยๆซึ่งมันก็อยู่ที่คุณภาพของวิญญาณด้วยคุณภาพของวิญญาณาธาตุว่าแกมีมากหรือเปล่าถ้ามีมากก็พวกนี้เรียนเรียน ร, รู้รด้เร็วๆเข้าใจเร็วสอนง่ายมากไเด็กนี่สอนง่ายมากพูดง่ายมากเข้าใจง่ายอ่ลักษณะ น, นิสัยดีพูดไม่กี่คําก็เข้าใจแล้วนั่นเราจะแสดงถึงว่าวิญญาณาธาตุเขดีหมายควา ม, ม, า ว, ามาว่าไงหมายความวิชาไม่มากเท่าไหร่ วิชา ม, มันจางลงไปแล้วแล้วก็ทําให้กรรมที่เป็นอดีตกรรมเนี่ยเขาเกิดมาเป็นสัตว์ที่เรียกว่าไราเหตุนะความมาโลภน้อยโกรดน้อยหลงน้อยนะฮะ เ, เราไม่เอาเต็มที่หรอกไรเหตุก็หมายความมาเกิดมาด้วยความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแบบพระโพธิสัตว์แต่เครียกสัตว์ไรเหตุสัตว์ไรเหตุคือว่าเกิดด้วยจิตที่ฟ่องแผล่ เป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กเด็กผิดมนุษย์มนาเขาความคิดความอ่านโลกธาตุอะไรมันผิดเพื่อนไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะจริงๆท่านท่นทอวิชาท่านห่างกว่าเยอะเลยมันก็เหมือนแค่ไหนลนะ่ะเหมือนกับคนหนึ่งเรามองภาพภาพอย่างเดียวกันคนหนึ่งมองในที่มืดคนหนึ่งมองอย่างที่สว่างเราจะมีความเข้าใจในสิ่งตนน่านต่างกันตัวการใหญ่ก็คืออะไรคือตัวมืดกับตั ว, ต, วตัวสว่าง เป็นตัวกำหนดความรู้ในสิ่ง่อ น, นั้นรู้ได้ละเอียดละออกขนาดถ้าสว่างเราก็เห็นได้ชัดนะถ้ามืดเราก็เห็นไม่ชัดเพราะงั้นความสว่างความมืดมัก็อยู่ที่ใจเรามันเป็นปัญญาจักษุตาปัญญาหรือตาอาวิชชาถ้าเรามีตาตัวนี้อยู่มากพอนะความมคุณภาพตัวนี้ดีพอเราก็มีเห็นมีเปิดเราก็ดูจากเด็กๆได้ด้านแนวการปฏิบัติที่เรียกว่าก็ยังถือว่า วิญญาณธาตุต่ำอยู่นั่นนะฮะวิญญาณธาตุต่ำแต่มันก็ไม่ได้ต่ำแรงต่ำแรงกว่าประเภทที่ว่ามาแล้วจะทําให้มีการกระทํากรรมเพื่อพบเห็นนะฮะเราไม่ชอบความแก่เราไม่ชอบความเจ็บเราไม่ชอบความตายเราไม่การชอบาการรรากสูญเสียแต่เราก็ทําบุญ ต้องการจะเกิดเป็นเศรษฐีต้องการจะเกิดเป็นประาชาต้องการจะเกิดเป็นคนใหญ่คนโตต้องการจะเกิดเป็นเทวดาถามว่าคนเหล่านี้แก่ไหมคร น, นี้เจ็บไหมคนนี้ตายไหมคนนี้พลาดพลาดไหมก็คือการก็คือการเราไม่ชอบแต่เราควาเราไม่ชอบแต่เราอยากยากได้อยากได้สิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายการพละดพลาดสูญเสีย ระดับนี้อภิชาที่จริงมันก็จางลงเยอะนะฮะมันก็ยังทำอะไรเพื่อภพคือหมายความว่ายังมีความยึดติดอยู่ในภพปรารถนาสุขในภพชาติต่างๆเจตงต้องการจะบังเกิดในสวรรค์ก็ต้องการความสุขในสวรรค์ถ้าถามว่าสวรรค์นี้สุขจริงไหมมันก็ไม่สุขจริงอะไรนะฮะไม่ได้สุขจริงขนาดมันมีความทุกข์มันมีปัญหาที่เรารู้ข่าวอะ เทวดาพวกก็คือ ก, ก็คือก็คือสิ่งมีชีวิตอ่ะแต่ก็เรียกว่าเทวดาละกันเองนั่ น, นก็มีโลคโกรธหลงเพียงแต่ว่าหน่อเพียงแต่ว่าวิชาท่านไม่มากเหมืนนะโลภะโทสะจึงไม่มากเพราะว่าโลภะโทสะมันมาจากโมหะมาจากตัววิชาแต่ว่าอาศัยที่ท่านเพลินเราจะเห็นว่าบางทีท่านก็เพลินไปมากไป าขาดสติตายจะเทวดาตกนรกหายไปเลยเั่นที่จะมาค้างอยู่แถวมนุษย์ไม่ได้ค้างไงโปรลงหายไปเป็นตก น, านารกไปเลยนั่นเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันเกิดเป็นตกภาพตัวอย่างเรื่องราวของบุคคลที่สะท้อนมาเป็นรูปธรรมเป็นเรื่องราวของบุคคลได้ยิ่งมาสะท้อนมาจากตรงนี้สะท้อนมาจากอวิชชาซึ่งเป็นตัวหุ้มหอ่อ ถ้าไม้ภายในจิตเรามีตัณหาคือ ย, ยางเหนียวมาปังน้อยบ้างนะฮะก็แล้วต่แล้วก็ไอ้จากจุดนี้เองเราคิดจากจุดนี้ถ้าไม่เราทำไปจากจุดนี้เราพูดไปจากจุดนี้เราคิดไปจากจุดนี้มันก็กลายเป็นดวง ก, ก ร, รม เพราะเวลากรรมท่านก็จำแนกเป็นเป็นสามระดับหยาบสุดก็คือบาปทีนี้บาปเองมันก็มีหยาบที่ลดหลั่นกันขึ้นไปนะฮะเราดูแล้วคล้ายๆกับในคุกนี่ชัดมากนะะที่จริงคุกเป็นเรื่องที่น่าศึกษาเป็นนรกจำลองน ะ, ะในโลกในความคิดความอ่านเรื่องทันทวิทยาในปัจจุบันดีขึ้นเนี่ย น, นะฮะดีขึ้นคือ การตีตรงตีตรวนอะไรแต่อะไรเนี่ยลดลงเมื่อก่อนเลยเห็นว่านักโทษเมื่กีหร่ปีก็ตีตรวนเพื่อนเดินลากขายอย่างเงั้ย น, น่าสงสารแล้วก็มันก่อนก็คุยกับที่ปรดีบอกแหมเอานักโทษมา น, นอนอยกระปราซาดีในกระป๋องไม่น่าน่าใจเพื่อนนอนสบายสบายห น, น่อยมันรักษาสุขภาพจิต ก, ก็ดีแต่ไม่งั้นมันมันมันเราแก้ตรงนี้ไม่ได้หรอกมันต้องสร้างสัพพายะให้เขา สร้างสภาพแวดล้อมใหม่ให้เขาเราต้องพัฒนาคนเนี่เราจะเห็นว่าเราต้องสร้างสภาพแวดล้อมให้สร้างสภาพแวดล้อมให้อารามในแปลว่ารื่นรมเรียกว่า ร, รมณียะสถานวันก่อนประชุมกรรมการวัดอามา ก, ก็ตั้งคาถามกันว่าคำว่ารมณียสถานเนี่ยมันปลอบมันอยู่ขนาดไหนหมายความไงหมายความมารูปดีๆเสียงดีๆกลิ่นดีๆรถดีๆสัมผัสดีๆ ไปวัดเรานี้ไม่ไหวกลินก็มีแต่กลิ่นขี้หมาเสียงก็เสียงแต่หมาเหา่ามันไม่ค่อยเป็นรบาบณนยสถานเลยไม่ค่อยเป็นรบาบันิยสฐานเท่าไหร่เพราะฉั้นสุขภาพใจเนี่ยมันมันจะดีได้ยากมันจะดีได้ยากเจนว่าท่านท่างหลายมาจอดรองเท้าไว้เนี่ยเขาโมยเขาโมยพราแสดงว่ามันมันไม่ค่อยเป็นรามันิยสฐานคือใจมันมันจะมีปริโพส วันก่อนประธานนวกะรุ่นก่อนรุ่นเท่าไหร่รุ่นสนะามสี่นะมามาขึ้นมานิดเดียวนะฮะพวกขโมยรองเทา้ารองทเท้าก็ซื้อมาจากต่างประเทศราคากี่พันไม่รู้เพื่อนขอโมยพัดเดียอะไรเองนะฮะอ้แก้เตี้ยนนั้นๆคือคือเราเห็นถึงสภาพอะไรสภาพของการอยู่ร่วมกันของคนที่มีจิตวิญญาณต่างกัน ไอ้คนที่มีจิตวิญญาณสูงนั้นจะถูกเบียดเบียนจากคนที่มีจิตวิญญาณตำ่ำคราเนี่มียวิชามากสังขารที่มีอยู่ภายในใจคือปรุงจิตของเขานั้นบาปเย อ, อะเป็นบาปอย่าเนขาได้อับคุณยาไปทางการวิสังขา ร, าขารคือบาปเราก็สัมผัสผลในขณะนั้นแล้วก็ผลในโอกาสต่อไปที่พระเจ้าทรงสแสดงถึงคนที่ทําบาปเอาไว้เป็นอันมากนะยกตัวอย่า ง, างเช่น เราสั่งเล่าถึงนายจุนท่าสูกริกก็ดีนายโคคาดก็ดีบ้านอยู่ใกล้วัดแนะ่นบ้านอยู่ใกล้วัดประเจดตวัดนายโคขาดนั้นมีอาชีพในการฆ่าโคขายเป็นอาชีพแล้วตัวเองมีติดเนื้อโคต้องกินอาหารแล้วต้องมีเนื้อโคกินด้วยถ้าไม่มีเนื้อโคมันกินอาหารไม่อร่อยพัญญาก็ต้องเก็บเนื้อโคไว้ทำมาในทุกวันวันหนึ่งเนี่ย เพื่อนมาขอแบ่งไปก็มีงานไปเสร็จไม่มีเนื้อโคจะกินพอเริ่มจะกินข้าวไม่เห็นเนื้อโคก็โกรธพัญญาลุกขึ้นจับมีดเข้าไปในหลังบ้านไปดึงลิ้นลิ้นลิ้นโคออมาจาก่ากโคตัดลิ้นตัดลิ้นไอ้พัญยาทอดเอาไปกินพอวางเนื้อไอ้ลิ้นโคลงถึงลิ้นตัวเองนะ่ะลิ้นตัวเองขาดเลย ร้องโหยหวนเป็นโค ร, ร้องเหมือนถูกเชื่อดูเจ็ดวันเสียงเข้าแว่วๆไปที่ประเทศตะวันที่สุกราภูนพระพุทธเจ้าว่าป้านายโคข้าดคงข้าโคเยอะเสียงดังทั้งเจ็ดฟันแล้วไม่หยุพดพระเจ้าบอกไม่ใช่ข่าโครหรอกตัวนายโคข้าเองแต่เสร็จแล้วเขาก็ตายก็ระสังวันตายไปบังเกิดในอบาย โดยทรงแสดงว่าบุคคลที่ทำบาปเอาไว้เนี่ยจะเดือดร้อนทั้งในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วจะเดือดร้อนเขาจะเดือดร้อนในโลกทั้งสองเพราะมองเห็นกรรมที่ตนได้กระทำเอาไว้บาปกรรมที่ตนกระทาเอาไว้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนเหล่านั้นถ้าหากว่าตัววิชาเขาจากนะทำให้สังขารคือความคิดการทำการพูดของเขานั้นจะเป็นกุศล เ, เรียกปุญญาไปสังขารมันปรุงจิตจิตมันคิดเป็นบุญมันคิดเป็นบุญเป็นกุศลไปหมดเล้ท่านลองสังเกตว่าคนระดับยอดๆจริงๆคือคือคื อ, คอไม่ถึงก็เป็นพระอาหารหันต์น่ๆแต่หมายความว่าเขาจะสามารถหาประโยชน์จากอะไรก็ได้เพราะระไรเราะวิชาเขาชัดเจนมากวิชาเขาดีมากและจิตใจเขาดีมากอย่างเราดูความคิดของยาชาติตะถะ เขามันไม่มีอะไรอะนะไม่มีอะไรของธรร ม, มาดมาคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชเป็นตัวคิดคิดแล้วก็คิดมองเป็นระบบรอบจั ก, กรวาลไปเลยเป็นสากลเป็นสเปสตาแล้วก็คิดอย่างไรที่ ท, ท, ที่รับสั่งไว้ที่หลังตอนตรัสรู้แล้วนะฮะรับสั่งว่าเมื่อได้บุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นหน้าตาเมื่อนั้นเขาจะหน่ายในทุกทุกฤทธิ์ทุกเกิดเดี๋ยเห็นไหมฮะชาติปีทุกขาเจราปีทุกขามน้ำปีทุกขังสามทุกนะเห็นไหมฮะสังเกตนะท่านจะใช้คำว่าสามทุกตนเองชาติความเกิดเป็นทุกชาติความแก่เป็นทุกมรณะความตายเป็นทุกทุกใหญ่ใหญ่เนี่ยทุกใหญ่ใหญ่มันก็มีสามทุกเท่นั้นเองคนจะหน่ายในความเกิดจะหน่ายในความแก่จะหน่ายในความเจ็บเออจะหน่ายในความตายเจ็บเขาเขาเขาเรียกว่าเป็นทุกจรนะฮะทุก ทุกหลักมันมีอยู่สามทุกฐานนั่นเองเพราะกระทรงมองเห็นว่าไอ้พวกนี้มันเป็นกระบวนมันเป็นกระบวนการมีร้อนมีเย็นแก้มีมืดมีสว่างแก้มีทุกข์มีสุขแก้มีกลางคืนมีกลางวันแก้เพราะมีเกิดมันต้องมีไม่เกิดแก้ดเพราะถ้าแก้ที่ไม่เกิดได้ไอ้ความตายความเจ็บความตายเนี่ยมันจะไม่มีตอนนั้นไม่ได้คิดถึงพลพลาดนะคิดถึงแค่ตาย ภาพธรรมดามากๆนะภาพธรรมดามีอยู่ทุกผลทุกแห่งไม่มีใครไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเพียงแต่ว่าไม่ได้คิดทำไมไม่ได้คิดอ่ะเพราะอวิชามันเยอะอวิชามันเยอะทำให้ตัวตั ว, ตวสังขารคือตัวบุญเนี่ยมันไม่ได้เกิดมากพ อ, อกเพรา ะ, ะนนคนมีบุญจึงหาได้ทุกเรื่องหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องคิดได้ทุกเรื่อง อย่างที่เคยเล่าประวัติของพระสาวกนะประวัติของพระสาวิกาประวัติของภิกษุณีอะไรแต่ไรเนี่ยฮะเราจะจะจะเห็นว่าสิ่งที่ท่านนํามาคิดนันมันคิดไปจากพื้นฐานของอวิชชาที่มันจางลงไปหมายความว่าแสงสว่างมันสูงขึ้นแล้วก็ท่านก็หาประโยชน์ได้ทุกเรื่องหาประโยชน์ได้ทุกเรื่องจากสิ่งที่ท่านเกี่ยวข้องกับท่านป ร, ประเด็นสําคัญก็คือว่าในแนวของการประพฤติปฏิบัติเ ทรงสรุปไว้ในประสูตร์ใกล้ๆกันแน่นะประสูตรใกล้ๆกันเนะี่ยไม่ใช่ไปวินิจฉัยที่กรรมวิธีของศีลของพระของวิธีปฏิบัติแต่ทรงวินิจฉัยที่ผลว่าผลเนี่ยมันบูญมันเกิดขึ้นหรือเปล่าหมายความพวกนี้มันจางไปไหมอวิชชาจางไปไหมโมหะโทสะโลภะเนี่ยมันจางไปหรือเปล่าถ้าจางก็ถูกทางนั้นแหละถูกทางนั้นแหละ พอป้ามาอยู่ที่หมดแล้วหมดมันต้องเริ่มที่จางไปนะเริ่มที่จางไปเรื่อยๆเราค่อยๆจางไปจนถึงถึงจุดหนึ่งก็หมดไปทำนองคล้ายๆทํานองคล้ายๆเราสานส้มไปแกงในน้ําขุนก็ก็ ก, ก็ก็มันใสไปเรื่อยๆจนกว่าจะใสจริงแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆเพราะในจุดนี้จึงทรงแสดงแนวเดิมนะะว่า วิชาคุ้มพอเอาไว้ทำให้สังขารที่เป็นบุญเนี่ยหมายความอภิชามันจางลงไปคุ้มพอจริงแต่มันจางอันจางก็ทำให้สังขารที่เป็นบุญก็เกิดขึ้นพวกนี้ก็สร้างเป็นวิญญาณซึ่งเป็นพืชมันก็เป็นพืชชนิดดีเห็นไมเป็นพืชชนิดดีทาไมพืชชนิดดีมันเกิดขึ้นได้ไงเพราะกรรมมันดีกรรมมดีมันมาได้ยังไงเพราะกิเลมันไม่มาก ยิ่งไม ม, มากมันก็อิง ก, กันทั้งสามตัวนะอิง ก, กันทั้งสามตัวแล้วก็อิง ก, กันตลอดไปตลอดไปแม้แต่ขณะจิตเพราะการการคิดบางทีเราไม่ต้องไปชาติหน้านะฮะเราต้องไปวันนี้พรุ่งนี้เอาเอาเอามาวันนี้เป็นเป็นเป็นชาติก่อนวันนี้เป็นชาติปัจจุบันพรุ่งนี้เป็นชาติหน้าลองดูว่าบางครั้งเนี่ยฮะท่า น, ท, านทะเลาะวิวาทกันสมมุติเราทะเลาะกันมาในบ้านสามีกบับภรรยาก็ได้เพื่อนกับเพื่อนก็ได้ใครก็ได้นะฮะ ให้เราสังเกตว่าสามสีวันเราอยังไม่หายเลยจิตมันตกอยู่ตลอดเลยมองหน้าก็ทะเลาะ ก, กันบางทีไม่พูดกันบางทีแยกบางทีขนขน ข, นของไปบ้านเลยเมียก็ไปเมียก็ไปบ้านแม่ผัวก็บางทีก็ขนของไม่รู้ใครใครขนบางทีขนหมดทั้งคู่เลยบางทีเอาของมาทุกทํำลายเห็นมหมสามวันนี้วันวันก่อนก็นคือชาติก่อนนะอันนี้ชติปัจจุบันอันนี้ก็ชาติหน้า เอาสั้นอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ความรู้สึกอย่างนี้มันก็อยู่นานมันก็ออกไปออกไปเหมือนกับความอาฆาตไปต่างจังหวัดกันก่อนมีเขามาเล่าทั้งกนก็โกรกันอามาแต่มันฟ้อมก็คือยังคุยกันโอ้ทำไมมันพยาบาทอย่างงั้นทำไมมันโกรกกันอย่างงั้นตัวเรื่องนิดเดียวนะะไม่เผาผีกัน ไม่เผาผีกันแล้วเพื่อนรักอยู่ด้วยกันกันมาจนแก่อายุตั้งเท่าไหร่ละหกสิบป่าแล้วทั้งนั้นทั้งคู่นะตอนนี้คนหนึ่งตายแล้วคนหนึ่งยังไม่ตายแปดสิบ่าแล้วจะตายไม่ตายแล้วยังพยาบาทแม้แต่ผีโอ้โหยังนึกว่ามันมันมันมัน น, นอะไรเรเรียนธรรมะศึกษาธรรมะ ก, กันมาตั้งนานว่าเรื่องขนาดนี้ยังไปเอาอะไรกันนักหนาะปรากฏว่า เวลาคนหนึ่งตายคนหนึ่งก็ไม่เผาวันเกิดของคนหนึ่งคนหนึ่งก็ไม่ไปคนหนึ่งก็ไม่ไปที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าตายแล้วยังนินทาผีอยู่นี่โอ้ทารุดมากเลยนี่คืออะไรคือวิญญาคุณภาพวิญญาณเนี่ยมันไม่ดีวิญญาณนธะาตุเดี๋ยมันตา่าวิญาณธาตุต่ำเพราะว่ามีพยาบาทอยู่ภายในใจคนบางคนโกรธแรงโกรธแรงอ า, งอ า, าตพยาบาทแรง และสิ่งเหล่านั้นก็คือสนิมใจเป็นบนทินของใจหมายความว่าใจมันก็สะสมบาปแต่ทีนี้ถ้าถ้าเราถ้าเราตัดตรงนี้ได้ตัดตรงนี้ได้ที่จริงมันมันก็มีลักษณะาลามป่าเหมือนกันนะเหมือนน้าขุ่นกับน้ำใสท่านเห็นว่ามันไหลเหมือนกันนะนะมันไหลเหมือนกันพยาบาทมันก็ไหลาลามป่มไปไอคนนั้นเป็นลูกของศัตรูเราคนนั้นเป็นญาติศัตรูเราคนนั้นเป็นพ่อแม่ของศัตรูเราโกรธหมดเลย กรหมดเลยบางทีโกรธเป็นเผ่าพันธุ์กันไปแต่ทีนี้พอเกิดธรรมะขึ้นมาหมายความว่าอาวิชามันจางลงเห็นว่าเกิดเป็นเมตตาเมตตากุศลกรรมที่คิดถึงคนคนนั้นคิดดีหมดคนนี้เป็นเป็นเพื่อนเราคนนี้เป็นแม่เพื่อนเราคนนั้นเป็นลูกเพื่อนเราคนนั้นเป็นญาติเพื่อนเราะคนนั้นอยู่บ้านเดียวกับเพื่อนเราเร า, เราไม่ความรักสนิทสนมไปหมดเลย โดยเริ่มต้นมาจากจากอภับยาบาตรคือไม่พยาบาตแล้วก็หรือเมตตาต่อคนเวียงคนเดียวทั้นลักษณะจิตมันก็ไหลเป็นกระแสธรรมะที่ไหลซึมให้ความเยือกเย็นไปเรื่อยนะฮะก็แผลเมตตาไปได้เรรื<ๆ>่นี่คือคือลักษณะของอวิชชาซึ่งเป็นตัวรากมันจางและทำให้กิเลสมันจางการกระทำก็เป็นบุญมากสิ่งที่เราสัมผัสในขณะนั้นก็คือสุ สุขใจวิญญาณธาตุถูกยกขึ้นสูงเราเรียกว่าขึ้นขึ้นสวรรค์ <laughs> ก็เรียกว่าขึ้นสวรรค์นนะลงนรกที่จริงลงก็คือจิตมันตกไปตูดไปสู่อำนาจของกิเลสพฤติกรรมมันต่ําเมื่อคืนก็ไปนึกจะเขียนเรื่องวิญญาณนะเขียนเรื่องวิญญาณขึงนเขียนไปเขียนมาเอ๊นึกจะเอาวิญญาณครูเฉยๆเมื่อก่น มันเอามาทุกวิญญาณดีกว่าทำวิญญาณสักเล่มนะทำวิญญาณสักเล่มหนึ่งวิญญาณพ่อวิญญาณแม่วิญญาณครูวิญญาณพระวิญญาณข้าราชการอะไรใดนะคุณัทำที่เรียกว่าเป็นจิตวิญญาณเป็นคำใหม่นะฮะไม่ไม่ไม่ใช่คำว่าวิญญาณเดิมแต่เราจะโยงจากวิญญาณเดิมมันเรจะทำก็เริ่มมันคงไม่ต้องหนาเท่าไหร่นะฮะประมาณสักสักร้อยหน้าทำแล้วก็หน้าช้ำใจว่าแจกแล้วคนไม่อ่าน คนไม่ค่อยอ่านกันจริงเป็นเรื่องน่าธรรมนะะเป็นเรื่องน่าธรรมน่าศึกษาหน่าสแสวงหามาเอามาเผยแพร่กันเพราะว่าที่ทรงแสดงไวน้นี่ยมันมันอยู่ในพระไตรปิดกรจริงจริงญาติโยมคงไปอ่านได้ยากนะอ่านได้ยากแต่พอเราอ่านแล้วเราอยากให้คนอื่นได้อ่านด้วยอยากให้รู้ด้วยแต่ทีนี้ถ้าส่งพระไตรปิฎกให้อ่านมันก็ไม่ไหวอนะไม่ไหวเพราะก็อ่านยาก ทำความก็จะยากมันก็มาย่อยนึกจะย่อยออกไปก็เราจะเห็นถึงตัววิญญาณธาตุว่ามันมันเป็นเรื่องใหญ่มากๆจนอะไรที่เราเรียกอย่างหนึ่งสันดานสันดา น, น, ดานอัตยาสายัยนิสยัยเวลานี้เขาเรียกลักษณะนิสยัยลักษณะนิสยัยที่จริงแล้วลักษณะนิสยัยมันสะท้อน ม, มาจากสันดานอัตยาณัสนิสยัย ก็กลายเป็นอาการปรากฏปกติก็กลายเป็นลักษณะนิสยัยลักษณะนิสัยของคนแอบนั้นที่เบนเนี้เร า, เาระดบระดับเด็กประถมเราจะมีหลักสูตรสร้างลักษณะนิสยัยมีตั้งหลา ย, ย 20, 20, 20, าทีเดียดนะเดย์ยี่สิบยี่สิบีเด็กสร้างได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะตรงนี้มันก็สร้างพบที่ประนีดขึ้นไปแต่ไม้ความมันจริงๆในแง่จริงๆแล้วนี่ยังตัด เพราะมันเป็นแค่สวรรค์มันเป็นแค่สวรรค์แต่นั้นเด้งอย่างตำ่ำถ้าตามประสูตรนี้ที่จริงแสดงถึงพรหมโลกชาณาลูปพรหมด้วยนะฮะเพราะเพราะเพราะทรงแบ่งตามตามตามสังขารสามมันตำ่ำมันต่ำมเรื่อยบเที่ยวก็สิ่งที่สูงกว่าเที่ยวก็สิ่งที่สูงกว่าเราจึงเห็นว่ามันไม่มีอะไรสูงจริงไม่ใช่ไม่มีอะไรต่ำจริงนะฮะไม่มีอะไรต่ำจริงแต่สูงจริงมีนะพระอาณาหารนี่สูงจริง เพราะงั้นมก็เทียบกัไม่ได้ก็สูงกันไปเรื่อยจนถึงพระอนาคามีก็ต่ํากว่าพระอรหันต์แล้วพระอรหันต์เองก็ต่ํากว่าพระอักสาวกพระอักสาวกเองก็ต่ํากว่าพระปฏิเจกาพุทธเจ้าปฏิเจกพุเจ้าเองก็ต่ากว่าไม่ใช่ไม่ใช่พระปฏิเจ้าเองก็ต่ํากว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะในระดับอะไรระดับภูมิจิตระดับชั้นจิตนะฮะความประณีตของจิตโดยเฉพาะความรู้ บริสุทธ์นั้นเท่ากันระดับพระอาหารหันต์นั้นเท่ากันบริสุทธ์เท่ากันแต่ว่าตัวยานนะฮะตัวยานจะต่างกันคุณภาพยานจะต่างกันแั้วก็บอกว่าอาวิชาตันหาเป็นยางเหนียวนะกรรมเป็นไรนาวิญญาณเป็นพืชวิญญาณนธาตุนั้นหยาบน้อยลงหมายความว่ามันไม่ถึงกับมืดตืตตต้อย่างที่ว่าตะกี มันก็ทําให้ยกระดับจิตของคนถ้านในชาติปัจจุบันเนี่ยในชาติปัจจุบันเอาเอาขณะปัจจุบันเราก็ผ่านโรกรุนแรงโกรธรุนแรงหลงรุนแร ง, งที่เป็นแบบเปรตสัตว์นรกอสุรากายนะฮะเราจะเห็นว่าอย่างแบบอสุรากายก็คือแบบหลอกหลอนเราหลอนเพราะโกรธก็ได้เราหลอนเพราะหล ง, ลงก็ได้ตัวเองไม่รู้ด้วยแล้วไปบอกคนอื่นต่อ นะเขาว่าอย่างนั้นนะเขาว่าอย่างนี้นะเขาว่าอย่างนั้นเนี้ยะฮะมันก็เป็นหลอกคนอื่นต่อตัวเองก็ไม่รู้อะแล้วบางทีหลอกเพาโลกไอ้หลอกเพาโลกมันเยอะสังคมปัจจุบันเป็นสังคมที่หลอกเพาโลกแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวนะฮะเมื่อวานเห็นใครไปเปลี่ยนโลกาโนวัตเป็นโลกาพิวัตนะฮะไอ้กรแปลไม่ได้ความอีกนั่นนะแหละไม่ได้ความอีกคือมันมั น, มนที่จริงไม่ใช่คํำสั้นๆอย่างนั้นลำบากเมื่อวานเนี่ยก็มีหมอก็ถามว่าโลกาโนวัตมันคืออะไรอ่ ก็บอกที่จริงมันมันมนเนี้ยเห็นช้างขี้ก็จะขี้อย่างช้างเห็นเหมืองกว้างก็จะกว้างอย่างเมืองนั่นคือโลกาโลกานวนะมันไหลาตามก็ไปอะไหลาตามก็ไ ป, ห, ไปหรือว่าข้ามองตาลิวก็หลิวตาตามคติไทยแนวนั้นแนะหมายความามาัตามเข้าไปตามเขาไปคือบุญตามไปตามกระแสเนี่ย่านิยมความคิดความอ่าน เป็นการนำแต่เราจะลืมนะฮะแนวความคิดตรงนี้ที่จริงแล้วมันก็คือแนวความคิดย้อนประวัติศาสตร์มันเปิดโอกาสให้มีลักษณะใครมือยาวสาวได้สาวเอามันก็ไหลไปตามกระแสนั้นแล้วก็จับกลุ่มเกาะกลุ่มกันกลายเป็นเครือนั้นเครือนี้เครือนโนนเพราะงั้นจะมีคนรวยเป็นกระจุกกระจุกกระจุกอยู่ แล้วคนจนเนี่ยมันก็วิ่งลงสนามในแข่งสู้สู้เขาไม่ได้ก็ถูกทิ้งนะฮะถูกทิ้งสังคมจะโดดเดี่ยวจะอันตรายนะฮะที่จริงความคิดเนี่ยนี่อันตรายมากถ้าปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆเวลา น, นี้รู้สึกว่าออกมาต่อต้านเยอะแล้วหลวงพ่อพุทธทาสและหลวงพ่อปัญญานี่เอาบ่อยมันมันได้จริงคิดคำกันมาแล้วก็เชยนะฮะเชยแล้วก็มีผลเป็นทุกข์แก่แก่โลกโดยโดยรวม เพราะอะไรเพราะว่าคนจะสูญเสียความเป็นตั ว, อตวเองจะถูกการนำกระแสสังคมนิํากินอาหารต้องเซเว่นอ1เวนะต้องขึ้นห้างสงรรพสินค้านะต้องต้องแสดงถึงความมีรสนิยมไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเองแต่ว่าอาศัยค่านิยมของสังคมนะต้องเก่งต้องอย่างนั้นนะเหมือนกับอะไรละเหมือนเหมือนข่าวภาพแอซไปไปเห็นอะไรนะวันก่อนในแห่งนะึงไปยืน ด, ด, ดูมันอะไรไ ถามเขาไอภาพแอปแทกมันคืออะไรมันภาพเนี้ยมันมันหมายความยังไงช่วยอธิบายหน่อยดิมันก็เหมือนกับคนทํำมือโคกลงไปภาพผ้าใบนะฮะทำมือขกลงไปแล้วก็เด็กเอามือตบตบตบตบตบกระเลงแกบอกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันน่าจันแต่ว่าสังคมก็นิยมกันนั่นเลยก็ต้องซื้อไว้อันเนี้ยคือไหลตามเข้าไปด้วยความโง่แล้วก็เสียเงินเยอะนะะภาพแอปแทกเสียเงินเยอะ นั่นก็คือลักษณะอย่า ง, ง น, นั้นน่ยข้ามองตาเหลียวก็หรื อ, อตาตามกระไหลตามก็ไปก็เป็นระบบความคิดระบบสังคมที่จะมีการชี้นาจากคนบางกลุ่มนะแล้วก็โดยไม่ค่อยมีเหตุผลในการชี้นาอะไรหร่าเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์เป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์จิตวิญญาณไปไลย จิตวิญญาณนั้นมีโลภะจิตวิญญาณนั้นมีอวิชชานะอย่างวันก่อนที่เขาอภิปรายเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเรื่องรัฐมนตรีใหม่รัฐมนตรีเก่าไดๆมันมีระดับศาสตราจารย์เนี่ยพูดขึ้นมาให้เปิดโอกาสให้คนเป็นรัฐมนตรีหมายความมาเปิดเลือกมาจากข้างนอกนะฮะเป็นรัฐมนตรีแต่กะลือไม่ว่ารัฐมนูญไปจํากัดตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้ไม่ให้เลือก ไม่เลือกเอายอดคนมาเป็นนายกงบลงตรีแต่เอายอดคนมาเป็นรัฐมนตรีแล้วเอาเอาคนโง่งมาคุมคนฉลาดเลยไม่รู้ปกครองกันยังไงเหมือนกันอันนี้ก็คือก็คือก็คือสิ่งที่อะไรมันแสดงถึงอวิชชามันแสดงถึงอวิชชาที่มองไม่ตลอดมันก็สว่างและสว่างแนคะ่แค่ไฟฉายนะสว่างก็เห็นท่าที่เราเห็นจะส่องไปแต่พอเลยตรงนั้นไปมันมืดเราไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นแบบ ปัญญาที่สดส่องมองทะลุไปใต้ดินได้น้ําบนห้วงอากาศแต่อาการของตรงนี้ยังยังอยู่ในระดับหยาบเป็นโรคเป็นโรคอยู่แม้จะมีความสุขกว่าเดิมนะฮะจะมีความสุขกว่าเดิมก็ถือยังเป็นโรคอยู่ยังหมุนวนในรังสารวัตฏจากพีภพนะฮะมีพบ จะเรียกกามาพบชุดนี้เป็นชุดกามาพบรวมแล้วก็เป็นสิบเอ็ดท่าไรล่ะสิบเอ็ดสิบหกอันหนึ่งสิบเอ็ดอันหนึ่งสิบหกรวมแล้วก็เป็นเป็นยี่สิบเจ็ดนะฮะยี่สิบเจ็ดัทีนี้ทรงแสดงอีกระดับหนึ่งเป็นผลการปฏิบัติทางจิตหมายความว่าอะไรอวิชชาเนี่ยมันมันมันมันมันไม่หมดหรอกแต่แต่สงบ ทำให้ความโลภสงบความโกรธสงบความหลงสงบภายในใจของท่านจริงๆแล้วเนี่ยมีกิเลสแต่เป็นกิเลสระดับตะกอดตะกอนต้นก้นภาชนะมันยางเหนียวนะยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชเนี่ยมันก็มีแล้วก็กรรมเป็นกุศล มีแรงมากไม่ใช่ไม่มีอกุศล น, นะฮะแต่ว่าอากุศลแรงมากใกล้ยๆกับ น, น้ําใสอยู่ข้างบนใกลกับน้ำใสยอยู่ข้างบนทาให้ปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยประณดตัววิญญาณอาท่าสเนิ่นสงบวิญญาณอาต่าสงบเพราะ ง, งั้นท่านที่ได้สมาธิได้ฌานเนี่ยนะสมาธิได้ฌานเ อ, อ้ยจิตท่านก็จะไม่หวั่นไหวเราไม่ต้องเอาขนาดนั้นนะฮนะเราก็เอาเราดูจิตของเราท่านลองสังเกตว่าจิตเรามีเยอะที่ที่ว่าเราไม่ไปเกี่ยวกอบ แต่เราก็สงบอยู่ได้เช่น ว, ว่าคนทะเลาะกันนะคนบางคนนี่ไม่สนใจวาเวนีนี่อิรักมันเคลื่อนย้ายทหารห่างชาเดนกูเวกูกูเวด้วยหือย่างในกูเวตเตรียมตัวยังไงเนเราไม่สนใจเราไม่ร้อนเลยนะมีแต่คลินตันในร้อนมากกว่าเกลื่อนเวนนี่เนะี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ไปยึดถือมึงมันเกี่ยวอะไรกับเราเกี่ยวอะไรกับเราเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราใจเราไม่ยึดที่เราจะสงบ ทำไมไม่ยึดเพราะเราไม่มีความยินดียินร้ายในตัวคนเรานะั้นเราอาจจะไม่รู้จักซึ่งหมายความว่าถ้าไม่รู้จักก็เป็นอาการของโมกของโมหะให้เราสังเกตโมหะไม่เกิดโลภะโทสะนะฮะถ้าโมหะจริงจริงเนี่ยไม่เกิดโลภะโทสะครับเช่นสมมุติอะไรเช่นสมมุติว่าเขาเขาเข า, เขาเขาเพสเพสซอู ก, ก็ได้เอาใส่ในแอปเปิลเน่าๆนะฮะ แล้วส่งแน่แล้วไม่เอาไม่มีใครเอาเพราะอะไรเพราะเราไม่รู้ว่ามันมีเพชรอยู่ข้างในเห็นไหมไม่เกิดโลภะแล้วก็ไม่เกิดโทสะนี่วไม่เกิดความยินดียินได้เลยถ้าบูหะจริงจริงนี่มันไปเป็นกันนะมันไปเป็นกันจริงจริงจรงมันที่อามายังเคยยกตัวอย่างว่าเหมือนก็บขั้วของวงกลมวงกลมเนี่ยพระอรหันต์พระอราหารันต์นี่มันอยู่อีกขั้วหนึ่งคน คนคนโงส่สุดๆนี่อยู่อีกขั้วหนึ่งคนบ้านะคนบ้ากับพาาระหันที่ยิงมันอยู่คนเราพวกของเชื่อคนบ้าก็ทําอะไรไม่มีบาปเหมือนกันก็ยกเว้นหมดเล ย, ยก็เต็มที่เลยนะโรกโหวหลวงแกเต็มโมหะก็เต็มที่เลยแล้ววินัยเนี่ยเขายกเว้นนะคนบ้าทําอะไรไม่ผิดวินยัยไม่ผิดศีลฆ่าคนตายก็ไม่ผิดศีล น, นะฮะสมมติเราพระไปฆ่าใครตายเขก็ไม่ปราบบติ ทำอะไรแกไม่ได้เลยเป็นคนพิเศษไปเลยพระหารเป็นคนพิเศษใครโจดอาบัตไม่ได้เหมือนกันนั่นคือหมายความว่าคนบ้าก็สุดยอดกองวิชาอันนี้ก็สุดยอดกองวิชาอยู่คนละขั้ว ก, กันนะอยู่คนละขั้ว ก, กันแต่มันมีสภาวะบางอย่างเนี่ยดูแลแคล้ายๆจะคล้ายกันที่จริงที่จริงคนละอย่างกันนะนะเพราะฉะนั้นจะไม่มีความยินดียินได้ที่ไม่ยินดียินได้เพราะเพราะไม่รู้มันเป็นอะไร แต่พระอรหันต์ท่านยินไม่ยินดียินไรเพราะท่านรู้แจ้งแจ้งตามความเป็นจริงก็เกิดไม่ยินดียินไรคนหนึ่งไม่ยินดียินไรเพราะไม่รู้คนหนึ่งยินดียินรอไม่ยินดียินไรเพราะรู้งูตัวอย่างไี้ว่านี่นะถึงจุดหนึ่งเนี่ยหมายความว่าวิชาปัญจางหลงไปหลอทำให้กรรมกรรมกรรมที่เป็นบาปต่ไม่มีฤทธิ์ใดมันจะเป็น มันจะถูกกดเอาไว้หลายชัน้นถูกกดเอาไว้หลายชัน้นเป็นเป็นระดับของสมาธิระดับของชาแล้วผู้พูดถึงท่านพูดถึงอรูปฌานมันมีสังขารชนิดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอนเนนชาพิสังขารเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวควรเหล่านี้ถ้ามองในแง่สังสารวัตรนะฮะมองในแง่ว่าเรายังต้องหมุนบนในสังสารวัตได้ดีมากๆเพราะอะไรเพราะมันหยุดสังสารวัตรหยุดหมุน ไปบังเกิดเป็นอรูปภพลมนานแสนนานเป็นกับการพุทธันดอนเลยแต่ถ้ามองในแง่ของนิพานละแยะมากมองในแง่นิพานอะแยะมาอาจารย์พระพุทธเจ้าทั้งคู่นะท่าน阿拉าดาบ ท, ทุกดาบที่พวกนี้ได้อรูปประชานทั้งคู่พูุ้ทธเจ้านึกถึงอาจารย์แล้วว่าแล้วว่าอย่างไงอู้อาจารย์ทั้งสองในประสบความสูญเสียอย่างรุนแรงไม่มีโอกาส ไม่มีโอกาสที่จะฟังธรรมแล้วบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าท่านฟังธรรมพระพุทธเจ้าพูดไม่กี่คำก็บรรลุแล้วนะเพราะท่านกิเลสท่านไปเยอะแล้วแต่ที่นี่การที่เกิดเป็นรูปพรหมเนี่ยนะเป็นอรูปพรหมเนี่ยพระพุทธเจ้าอาจจะตรัสรู้อยกสี่ห้าองค์ท่านยังไม่ลงมาเลยยังอยู่ไปรูปพรหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะเป็นอรูปพระพรหมอย่างนั้นเองแล้วพวกนี้ต้องตายเพราะหมดอายุด้วยด้วยนึกจะตายก็ไม่ได้นึกจะฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ เพราะั้ น, ม, น, ม, น, ม, นมันในแง่ของการหลุดพ้นสังสารวัฏแล้วนี่ยท่านถือว่าแย่มากสูญเสียโอกาสของตัวเองจากจุดนี้เราจึงเห็นว่าพระโพธิสัตว์ทั้งหลายยังไม่ยอมเกิดในในภพมนุษย์ให้เราสังเกตนะฮะพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ในชาโดกทั้งหลายสังเกตดูกัแกันว่า พ, พุทธเจ้าจะไม่ยอมไปเกิดเป็นภพเพราะ อ, อะไรเป็นภพจะสูญเสียเวลามันเป็นยุคคล้ายๆกับ เก็บรวบรวมสมบัติไว้เยอะเราไป น, นอนกินนะฮะนอนกินนั่งกินนี่เลยนอนกินนั่งกินทับสมบัติไม่ได้ทำอะไรแต่มันไม่ใช่เป้าหมายพระเจ้าต้องการการบรรลุมรรคผลเป็นพระพุทธเจ้าต้องการจะช่วยโลกไปนอนกินสมบัติอยู่คนเดียวสวยสุขคนเดียวเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยของพระของพระโพธิสัตว์กับพระอารหันต์ทั้งหลายเพราะงั้นถ้าท่านเกิดท่านก็มีคุณสมบัติพิเศษท่านอธิษฐานจุติได้ มรดิฐานจุติได้ท่านท่านลองสังเกตนะฮะว่ามันมีคนบางคนที่เขารียกจติลงมาช่วยพระชาสนาเช่นพระโมคคิริบุตรลงจุติมาพระอระหันต์ไปขอให้จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาช่วยพระศาสินาตอนนั้นถ้าเธอไม่จุติพระศาสานาจะพังเลยเธอต้องจุตินะตอนจริงๆอายุท่านยังไม่สิน้นแต่ท่านก็จุติได้หรือพระน้ากเกษตเป็นเป็นเทพบุตรเบือนกัร น, นะพระน้ากเกษตรเนี่ย พระอาหารหันต์ท่านไปขอร้องเธอต้องจุติลงไปช่วยพระศาสนานะถ้าเธอไม่จุติจะแย่เลยเพราะอุปคุตอย่างนี้ฮะเป็นเป็นพวกเทวดาที่ลงมาจุติจริงๆรงจริง จ, ง จ, งจงแล้วเนี่ยท่านทาน่ทนทนไม่ได้สิ้นอายุอะไรเลยเขาลงมาจุติเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาพระศาสนาเพราะ ง, งั้นเอ่อเรื่องตรงนี้จึงอยู่ที่อะไรอวิชชาต้องจางอะนะฮะอวิชชาต้องจาง เราพาตัสามาทั้งจากก็อย่างที่ยกตัวอย่างไว้เมืกี้ว่ามันเหมือนคนมีเงินคนมีความรู้นี่ยคนมีความรู้มากๆเลือกทํางานอะไรก็ได้คนมีเงินเนี่ยเลือกจะอยู่มีเงินมากๆนะเลือกจะพักที่ไหนจะไปที่ไหนก็ได้พวกเรนี้จึงเหมือนกับบุญกุศลแต่ถ้าเรามีน้อยเราจะถูกบีบความรู้น้อยงานจะถูกบีบเงินน้อยสถานที่พักที่อยู่ที่กินจะถูกบีบหมดเลยเป็นภาพที่เราเห็นในชาติตรงนี้จึงเปรียบเหมือนกับบุญบา เหนะมือนกระบุญบาปถ้ามากเท่าไร่แล้วก็ยิ่งอํานวยประโยชน์กว้างขวางไพศาล จ, จนเรียกว่าเลือกเกิดได้นะเลือกเกิดได้เลือกพบเลือ ก, อ ก, อ ก, อกชาติของตนในพระนิจได้เพราะฉะั้นพบจึงหมายถึงที่ อ, อยู่ซึ่งมีความสืบเนื่องมาจากอาวิชชาสังขารก็วิญญาณนะมีความสืบเนื่องกัน ต, ตรงนี้จะเกิดดีเกิดไม่ดีพบดีพบไม่ดีมันก็อยู่ตรงนี้เป็นตัวกําหนด เป็นตัวกําหนดภพชาติของบุคคลจะาเลวหรือปรนีก็ตาบตัวกรรมเป็นตัวหลักกรรมก็คือสังขาร น, นั่นเองสำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุดไว้ในเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูดในธรรมจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทุกกันทุกท่านคือ